พระธรรมเทศนาแผ่นที่57ดลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่27กันยายน2556มีชื่อเรื่องว่าศรัทธาต้องมีปัญญาด้วยวันนี้เป็นวันที่27 กันยายนพุทธศักราช2556เป็นวันศุกร์วันนี้หลวงพ่อฉันจะขันเสร็จแล้วหลวงพ่อจะได้เดินทางลงกรุงเทพไปไม่กี่วันไปคงจะกลับวันอาทิตย์เพราะว่ามีภาระทางกรุงเทพที่สัทาญาติโยมก็ทางนู้นก็น่าเป็นห่วงเหมือนกัน ตามปกติหลวงพ่อลงไปกระพักที่สวนแสงธรรมและกัวันเสาร์คงจะมาฉันที่บ้านคุณหลวงจิตโพชนาเพราะคุณหลวงได้ประวรดานิมนต์เอาไว้แต่คณะสัตธาญาติโยมกลุ่มนี้ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันหลายร้อยคนคุณกรุงเทพที่จะจับกลุ่มไดขนาดนี้ก็ไม่ใช่ได้ง่าย แต่ถ้าว่าหลวงพ่อไม่ลงไปก็ยังไงขาดไปอีกจุดนี้ก็คิดถึงปลูกฝังอุปนิสัยของลูกหลานที่เป็นทายาทของพระพุทธศาสนาสืบนานไปเท่านานแต่คิดถึงแ น, แน่ความสะดวกสบายไปอย่างนั้นมันกอบไม่สะดวกสบายล่ะแต่ว่ า, ามีความจําเป็นจะต้องไปไปด้วยเหตุผล แต่ก็พร้อมกันกับสวนแสงธรรมกันนั้นก็ไม่ห่วงเท่าไหร่หรอกเพราะว่าครูบาอาจารย์มาจากจาตุรทิศมารวมกันแล้วกัคณะสัทธา ญ, ญาติโยมก็ได้มารวมกันทําบุญครบหนึ่งเดือนอาทิตย์สุดท้ายของเดือนทุกเดือนที่สวนแสงธรรมแต่หลวงพ่อเดือนที่แล้วหลวงพ่อเป็นเกตุของหลวงพ่อแต่ลงค่าวนี่ไม่ใช่ ไม่ใช่เป็นขององค์อื่นแต่หลวงพ่อได้ลวงลงไปร่วมสมทบเท่านั้นเองเพื่อให้อันนี้ก็เพื่อความแน่นหนา ม, มั่นคงอีกเหมือนกันแต่ห า, ากครูบาอาจารย์ให้ความสนใจให้ความใส่ใจลูกศิษย์ลูกหาองหลวงตาทั้งหลายทั้งปว ง, ท, ง, ปวงที่อยู่ในกรุงเทพก็คงจะมารวมกันเป็นผึกแผ่นขึ้นมาไม่ใช่ว่าหลวงตาปลูกฝังอุปนิสัยของลูกของหลานไว้แล้ว พอหลวงตาจุตินิรพานไปแล้วก็พวกเราก็แตกรกระจายกันคนละทิศคนละทางก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นควรจะรวบรวมพลังความพร้อมเพียงสมัครคีในบรรดาศิษย์ให้เป็นหนึ่งเดียวให้เป็นกลุ่มก้อนพอสมควรอันนั้นก็จะเกิดประโยชน์ในการเป็นอยู่เพราะโลกทุกวันนี้มันต้องอาศัยพึ่งพาอาศัยกันต่างคนต่างอยู่ ก็อันตรายเหมือนกันถ้าเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็จะเป็นผลดีณขณะที่หลวงพ่อไม่อยู่วัดก็ฝากไว้กับคณะสัตยาญิษฐาโยมลูกหลานทุกคนนะนะ่ะผู้ที่เกี่ยวข้องหลวงพ่อไม่อยู่ก็เหมือนกับหลวงพ่ออยู่เพราะว่าหลวงพ่อไม่อยู่จับไฟด้วยซิมันร้อนไหมมันก็ร้อน หลวงพ่ออยู่จับไฟร้อนไหมก็ร้อนอเพราะนั้นหลวงพ่ออยู่แล้วไม่อยู่พวกเราสร้างคุณงามความดีสั่งสมคุณงามความดีเหมือนเดิมเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านคนณะสัตยาญาโยมพระเนนลูกหลานทุกองอเวลาหลวงพ่อออกจากวัดไม่ได้น ะ, ะไม่มีความเคารพซึ่งกันละกันไม่ถูกต้องเป็นอย่างมาก ถ้าองค์ไหนเป็นอย่างนั้นจะเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยก็ตามถ้าหลวงพ่อไม่อยู่หรือแสดงรวดลายวางกล้ามวางหมาดทะเลาะหมูพวกเพื่อนบอกมาหลวงพ่อกลับมาหลวงพ่อจะให้ออกจากวัดสแสดงว่าหลวงพ่อสั่งสอนแนะนําสั่งสอนแล้วอบรมดีแล้ว่มาอยู่หลายปีแล้วน่าจะเป็นพระที่ดีมีมารยาทมีศีลธรรมมีจริยธรรม อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยให้รู้จักกฎรู้จักระเบียบรู้จักพระธรรมวินยัยแล้วยังมาใช้กิเลสในขณะนั้นอีกนี่แหละไม่ถูกต้องถ้าหากว่าอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยทุกองค์ล่วมเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันนี่แหละครูบาอาจารย์อยู่ก็ใช่ในความมันก็ล่มเย็นเป็นสุข อย่างที่หลวงพ่ออยู่ที่วัดป่าบ้านตาดก็เหมือนกันแต่หลวงตาไปที่กรุงเทพแต่ละครั้งน่ยไปนานเลยบางทีถึงเกือบ20วันแต่ท่านก็ให้นี่แหละหลวงปู่บุญมีเป็นหัวหน้าอยู่ที่วัดแต่จากนา้นกับพวกเรากมราม็มีพระฝรั่งบ้างมีพระไทยโดยมากก็สิบกว่าองค์16 17องค์พระสมัยนั้นไม่มากที่วัดป่าบ้านตาดพราะหลวงตาไม่รับมากไม่รับพระมาก โดยมากพระี่ติดตามท่านไปกโดยมากมีพระฝรั่ง อ, องค์สององค์บางทีก็องค์หนึ่งนึกก็ทีก็สององค์จากนั้นท่านก็ใช้เด็กที่ลูกหลานของท่านเป็นผู้ดูแลดูบาดของท่านโดยมากพระไม่ค่อยได้ไปกับองคหลวงตาหรอกหลวงตาไม่ได้เอาไปหลวงตาลงกรุงเทพแต่เมื่อท่านลงสมัยนั้นก็เป็นคุณโชวิ์ร้านขายยาโชวฤิต เป็นคนขับรถเอารถลงไปนะไม่ใช่ไม่มีโดยมากลงตาก็ไม่ได้ค่อยขึ้นรถไฟไม่เครื่องบินไม่มีสมัยนั้นแต่ลงตาไม่ชอบขึ้นเครื่องนะต่ถ้าว่าไม่ขึ้นรถก็ขึ้นรถยนต์ขึ้นรถไฟแต่โดยมากรถยนต์รถเก่งทางอุดรเขาใน ม, มนลรับลงไปท่านก็ไปพักที่วัดบวรเป็นส่วนใหญ่บางทีกับวัด น, นรนาฏบ้างแถว นั่นแ่ะบางเขนวัดพระีมห า, าธาตุบ้างแถวบางเขนตู ด, ดมากท่านก็นไปพักพักแต่ละวันนะก่อนน่ะโดยมากก็ไม่ต่ำกว่าส0 4สี่บห้าวันบางทีก็ยี่สกว่าวันก็มีนานๆทีนี่แหละเวลาท่านลงไปวัดในวัดของเราวัดป่าบ้านตาดรูด้สึกว่ามันเยือกเย็นเย็นเงียบอันนั้นก็คือพ่อไม่อยู่ พ่อแม่ไม่อยู่แต่ว่าถึงยังไงพวกเราก็อยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยเพราะได้ท่านแนะนำสัง่งสอนบอกกล่าวแล้วแต่ว่าบางองค์เอาเล่งภาวนาในขณะที่ครูบาอาจารย์ไม่อยู่เพราะไม่มีภาระธุระอะไรต่างองค์ก็ต่างอดอาหารบางังทำความภาคเพียรของใครของเราบางังน่ะบางทีก็บางทีท่านก็สั่งเวลาท่านจะลงไป ท่านก็เออเอากุฏิทั้งนั้นจะทําก็ทำใช่นะเนี่ยเราก็ได้เร่งทําสร้างกุฏิขึ้นมาในขณะที่ท่านไม่อยู่อันนี้เราก็ได้ทํากุฏิหลายหลังที่วัดป๋าบัานตาดในช่วงที่องค์หลวงตาไม่อยู่บางทีท่านก็ให้ทํางานสร้างเสนาะชนะที่พักพ้าอาศัยของพระหรือทางในครัวเนี่ยเราก็ได้ทําการทํางานนี่แหละอันนี้คือ สรุปแล้วก็คือครูบาอาจารย์ไม่อยู่รู้สึกว่าเงียบนะรู้สึกว่าเงียบคนก็ไม่ค่อยเข้ า, ขามาสมัยนั้นยิ่งไม่มีโทรศัพท์โทรศัพท์ก็ไม่มีสมัยนั้นแต่คนขนาดนั้นก็ยังรู้กันพอสมควรแต่ถางว่าพอหลวงตามาเท่านั้นแหละคนทั้งหลายก็หลั่งไหลามานี่แหละอันนี้ก็คือมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธธรรมดา ที่เป็นหัวหน้าในขณะที่อยู่ก็มีคณะสัตายาติโยมลูกหลานเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ยิ่งทุกวันนี้ยิงมีโทรศัพท์ถามไทยกันหลวงพ่ออินอยู่ไหมถ้ามาอยู่ถ้ามาอยู่ยังไม่ไปพวกมันโทรหากันบอกกล่าวกันได้แต่สมัยลงตาสมัยทุกตอนลงตาจะไปไหนท่านจะไม่บอกนะอย่างวันนี้ถ้าสัตยาธิาาโยมมาลงตาไม่บอก ท่านจะไปท่านก็ไปเลยเอัอนในคณะสัตย า, า ญ, ญาติโยมมาบางคนก็นเหลือเกินจริงๆนะพอมาถึงมาลงตาไม่อยู่เท่านั้นแหละหันรถกลับพืชเลยนู่นไปจังหันทํากงเพนหน่อยแต่เราก็ไม่ว่ากันเพราะเขามาเพื่อลงตาใช่ไหมเออเราไม่ได้มาเพื่อเราะ เ, เราก็ไม่ว่ากันแต่เราก็โอ๊เกินไปแล้วว่าโยมในว่าก็น่าจะเอาไมา่ ครูบาชันอาจารย์ชันครูบาชันบ้างไม่ใช่บัดหลวงตายังอยู่ก็ให้ถวายแต่หลวงตาพวกเราก็ฉันเป็นเหมือนกันนานาแต่ว่าก็ไม่ว่ากันเพราะเขามีศรัทธากับหลวงตาถ้าไม่ทํากับหลวงตาแล้วกัไปทํากับหลวงปู่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ขาวหลวงปู่บุญมาที่ไหนๆมีครูบาอาจารย์เยอะสมัยนั้นจุที่บ้านตาดนะมีก็ ที่กขพูดให้ฟังมีหลายคนเหมือนกันลักษณะอย่างนั้นนะหลวงพ่อเนี่ยเคยพบเคยเห็นเคยเจอมาแล้วแต่สมัยนั้นเขาไม่มีโทรศัพท์เขาถามไถ่กันไม่ได้พะมาเจอแล้วก็ไปแต่บางคนเขามา ก, กถวายตามปกตินัะ่นนะครูบาอาจารย์ยังมีพระในครั้งพระพุทธเจ้านะ่ะติดในครูบาอาจารย์ก็มีเหมือนกันนะเออ พระในครั้งพระพุทธเจ้ามีชื่อว่าพระวะครัคนคะีพระวะคคนะีเป็นชาวกรุงสาวัตถีพอบวชเข้ามาสมัยก่อนเป็นโยมเป็นพราหมนะพวกพรพาหม์ตระกูลพราหม์เห็นพระพุทธเจ้าเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสอ ย, ย่างมากอากักบกิริยาโอ้หน้าเคารพน่าเลื่อมใสหน้านับถือเห็นแล้วพ่ออกพอใจ พระพุทธ เ, เจ้านี่ยดูห่างๆเ่ย เ, เวลาไปฟังธรรมเทศนาก็ไม่ได้คาดสายตาเ่ยออนั่งฟังจ้องดูรูปพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดพอต่อมาขับพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่อื่นเราก็ไปไม่ได้เราควรจะบวชว่ะ เ, ออเพื่อจะได้ดูพระพุทธเจ้ า, ากับกิริยาของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาน่จะได้เห็นพระพุทธเจ้า จากนั้นเขาก็เลยบวชชื่อบวชก็ชื่อว่าพระภวคริพอบวชเข้ามาแล้วท่านก็ไปได้าขาดสายตาเลยอยู่ที่ไหนนั่งท่า น, น, นดูมองจ้องพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดพระพุทธเจ้าก็รู้ท่านไม่รู้ได้ยังไงเพราะท่านมีญ า, นานณรัศนะมีทั้งหูทิพย์มีทั้งตาทิพย์มีทั้งตานอกมีทั้งต า, นาในท่านก็รู้แต่ท่านก็เฉยท่านมองอยู่ เพราะว่าบา ร, รมียังไม่แก่ท่านมองก่อนนะแต่ถ้าว่าบา ร, รมียังไม่แก่ถ้าไปดาดไปดุให้เลยเนะี่ยมันแตกเพราะบารมียังไม่แก่ท่านก็มองดูบา ร, รมีของพระวัคริสักก่อนพอต่อมาพะบา ร, รมีแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆท่านเลยท่านก็บำเพ็ญท่านก็บอกว่าวคคีเธอจะมาดูอะไรร่างกายของเราเนี่เต็มไปด้วยอจุพะปฏิกูล มีแต่ของเท่าแก่ชราไปเรื่อยๆมันจะหาความยั่งยืนได้อย่างไรร่างกายสังขารเนี่ยมองดูแล้วมันจะอันไหนที่สวยงามต่อไปมันก็ชำรุดชุดโทมไปเรื่อยๆเราท่านจะมาดูอะไรกับร่างกายที่ของไม่เที่ยงอย่างนี้นุ่นไปภาวนาพระพุทธองค์บอกกับพระภวะคฤติภวะคฤติกดปน ม, ม, มือยกมือไหว้เลยกัน ออกหา่างทีนี่ออกห่างแต่ถึงยังไงก็ไปนั่งอยู่ไกลๆ ก, ก็ยังมองอยู่งั้นเถอะเอ่ยังมองอยู่ใกล้ๆไม่ให้ขาดสายตาอีกเหมือนกันแต่ก่อนอยู่ใกล้นะต่อตอมาเนี่ยอยู่ห่างไกลห่างไกลแต่อยู่ในอยู่ในสายตาอยู่เพราะพรธองค์ก็มองดูอีกอาบารมีเขาแต่ถึงคราวที่จะได้สําเร็จไหมเนี่ยอพระพองค์ก็มองดูอีกทั้งทางนอกหมูอทั้ ง, อ ม, งมองข้างๆในฮะ ยาง า, ยานรัตนะของพระพุทธเจ้าผมมองดูอีกภระวักคฤิเนี่ยเขาจะได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลไหมเนี่ยถ้าเราดูไปเนี่ยมันจะเสียหายไหมเนี่ยพรตรงมองถึงขนาดนั้นนะาเพราะทําทด้วยความเมตตาเนี่ยท่านไม่ได้ทําด้วยอารมณ์โมโหโกธานีแต่นี่พระวักคฤิเนี่ยมองอยู่ตลอดเวลาอยู่ใกล้ๆไม่ให้ขาดสายตาแต่นี้วันเข้าพรรษาไปจำพรรษาที่กรุงราชคฤรึที่เนี่ย พอพระพุทธองค์ก็บอกเห็นว่าบา ร, รมีของเขาแก่กล้าแล้วทีนี้เขาจะได้สําเร็จแล้วทีนีแต่ก็ยังศรัทธาเรื่องวความเคารพออยากจะเห็นพระพุทธเจ้านี่ยเต็มหัวใจ <Yeah. S 1> พอพระพุทธองค์เสด็จไปนัดสิสถานที่ใดไปว่าเอพระสว่างขึ้นมาก็ไม่ให้คาดสายตาหลยก็อมองเรากันนะอยู่หาหมุมมองให้ได้แต่ที่พระพุทธองค์เขคิดว่าพระพุทธองค์จะไม่เห็นตัวเองนะี่ย แต่นี่พระพุทธองค์ก็บอกเรียกวัคคลิมาเออพราวัคคลิเขามามาวัคคลิเธออย่าอยู่ที่นี่นะไปไปอยู่ที่อื่นไปหาภาวนามาหายุ่งทำไมห <c oughs> นีว่าจะไหนเออเท่านั้นแหละโอ้โหในจิตในใจผองพระวัคคลิมีเท่าไหร่นะหล่นตบลงสู่ดินหมดเลยเหือน น, นะจิตใจโก้าข้าไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเนะี่ย ข้าจะอยู่ทําไมในโลกเนีตายดีกว่าใช่ไหมพุทธนะใครเข้าจ ะ, จ, จะตายเลยทีนีเ้เขาเสียใจอย่างมากอีกต่างหากนะคนมีศรัทธาเป็นงนนะคนมีศรัทธาถ้ามีศรัทธามากไม่สัมปยุทธ์ด้วยปัญญานะ่ยถ้ามีมีอะไรกระทบกระแทกอย่างแรงๆเนะี่ยแปลว่าจะฆ่าตัวเองตายเลยลักษณะอย่างนั้นอนะ่ะแต่นี้นก็ผมเมื่อพระพุทธองค์ส่งดุอย่างงั้นแล้วก็โอ้ข่าขึ้นไปนโดดเหวตายดีกว่าใช่ไหม อ, อก็เลยปีนเขาคิดจะกูดใช่ไหมอ่าปีนเขาขึ้นไปจะหาที่จะโดดกระโดดกระโดดหน้าผาอะไรพวกนั้นเถอะพอปีนขึ้นไปพระพุทธองค์ก็ดูอยู่เลยเมื่อท่านดูแล้วท่านก็มองดูอยู่ว่าพักคลิเขาจะคิดยังไงในเมื่อได้ อ, อได้รับยาขนานหนักแล้วงั้นเถอะพระพุทธองค์ให้ยาขนานหนักได้ทีนี่เพราะดุดาเนี่ใช่ไหมดุดาว่ากาวเนี่ยคนมีศรัทธาเนี่ยเพราะนั้น พระวัคคะลีก็คิดอืหนีออกเลยละเพราะพุทธองค์ไม่ให้อยู่ใกล้ไปเตายเป็นตายหาทิศนิกกระโดดเหวตายดีกว่าเนี่ยก็ปีนเขาขึ้นไปอปีนเขาคิดจะกู่เขาว่ารับปีนเขามันก็ต้องเหนื่อยใช่ไหมล่ะพอปีนข่ายขึ้นไปก็หักหักหักนะเอยตอนนี้พุทธพุทธองค์อยู่ที่ประคันทกูดีท่านก็เพ่ง เ, เพ่งอภิญญาหานไป เ, เออเพ่งอภิญญาหานเป็นแสง พล่าไปไปก็เห็นรพระพุทธเจ้ายืนอยู่ต่อหน้าว่าเคล เ, เธอไม่ต้องกลัวมานีนา <c oughs> า้ไม่ต้องกลัวกลัวอะไรเอเราไม่ใช่จะเป็นอริศตูกับท่านามานี่นี่นะ เ, เธอต้องปฏิบัติตนอย่างนี้นะอภาวนาอย่างนี้นะให้เห็นอย่างนี้นะรู้จริงอย่างนี้นะ นี่แหละมามากับเราพอได้ยินเสียงเท่านั้นแหะตะกอนเหมือนกับ น, น้ําที่มันแห้งจกักะ飒จนดินแตกและแหง้งพอได้ยินพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเอ่ยชื่อเท่านั้นละ่ะจิตใจของพระวักคร เ, เต็มเปี่ยกไปด้วยน้ํา เ, เต็มเปี่ยกไปด้วยน้ํเาเรียกว่าชุ่มชื้นเบิกบานขึ้นมาโอ้มีความสุขจริงๆเหมือนกันที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสต่อหน้า ตัวเองตัวเองก็อยู่ใกล้พระพทุทธเจ้าอีกต่างหากเจากนั้นไปตามหลังเราไปเกิดปีติอย่างแรงเกิดปีติอย่างแรงเพราะพระพุทธเจ้าพาไปด้วยฤทธิ์เนี่ยพอเท้าพ้นจากดินทั้งนั้นะปีติก็หายจากนั้นท่านก็ได้ภาวนาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยในขณะ ไปใ น, ในอำนาจลิตของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็ไปรกราบพระพุทธเจ้านี่แหละภวักคริจากนั้นท่านพระพุทธองค์ก็บอกว่าพักพระวักคริเป็นผู้ติดที่จะอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าท่านก็ได้รับเอธัตคะนะเมื่อท่านได้สาเร็จเป็นพระหรหันแล้วพระพุทธเจ้าก็ตั้งตั้งเอธัตคะว่าเป็นผู้มีมีศรัทธาเลิศเป็นผู้มี สัมปยุตด้วยศรัท ธ, ธาคือความเชื่อ อ, อยากจะเห็นพุทธศีระของพระพุทธเจ้าด้วยความตั้งใจจริงๆรงนี่แหละคือศรัท ธ, ธาศรัท ธ, ธาเป็นพื้นฐานถ้าศรัท ธ, ธามากกระทำให้เสียหายได้เหมือนกันนะศรัท ธ, ธาไม่สัมปยุตด้วยปัญญาถ้ามีศรัท ธ, ธาด้วยมีปัญญาด้วยมีความรอบครอบด้วยอันนั้นจะเป็นผู้ที่เลิศประเสริฐ แต่โดยมากมันเดี่ยงข้างใดข้างหนึ่งบางคนก็มีปัญญามากเกินไปไม่มีศรัทธาเห็นพระก็ดูถูกพระอีกต่างหากพระน่าจะเป็นอย่างนั้นพระน่าจะเป็นอย่างนี้พระน่าจะพูดอย่างนั้นพระน่าจะพูดอย่างนี้อักบัติจิตรยาพระไม่น่าจะเป็นอย่างงู้นอย่างงี้วิจารณ์ใช้ปัญญาวิจารณเพราะไม่มีศรัทธาเลยเพราะไม่มีศรัทธาในพระเลยวิจารณ์พระนี่ด่าพระอีกดูถูกพระอีกต่างหากเอยจะจะให้พระเหมือนเป็น เหมือนพระพทรุทธลบอย่างนั้นแหล อ, อแต่พอตัวเองเข้ามาบวชไม่เป็นแต่ซากไอ้คนอย่างนั้นนะเ อ, อพอไปมาดาพระทานทุนท่า น, นี้พอเข้ามาบวชทีนี่โอ้ยยิ่งกว่าหมาอีกทีนี่ไอ้คนที่ดูถูกพระอย่างนั้นนะ อ, อพอมาบวชท่านแล้วนะเราเห็นเเมื่อสมัยเขาเป็นคารวาสเนี่ยเขาชอบดูถูกพระกว่าพระไม่ดีจังวะพระไม่ดีอย่างงี้ เมื่อเขามาบวชเขาคงจะอยู่ในหลักพระธรรมวินัยแน่นเปี้ยนะมังดูซิเป็นยังไงนูน่นเพ้อเพอจะไปกินข้าวแรงอีกต่างหากว่าเงเถอะเห็นแล้วโอ้คนที่ชอบดูถูกคนอื่นพอมาถึงตาตัวเองเยไม่ได้เรื่องเขามีเหมือนการนาเพราะนั้นขอฟังไว้นะคณะาจายญาติโยมลูกหลานทุกคนนะพูดแต่เขาอีนเนาเป็นเองเนี่ยมันเป็นคาโบราณเขาพูดไวตั้งแต่ดึกดาบ แต่เอามาใช้ได้ทุกได้ได้ทุกมาถึงยุคสมัยนี้ด้วยพูดให้แต่เขาอินเอาเป็นเองฮะนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะการมองคนให้มองในแง่เหตุผลอย่าเป็นมองกันในแง่ร้ายทำไมเขาจะเป็นอย่างนั้นทำไมเขาจะเป็นนี้มันต้องมีเหตุผลของเขาแต่ถ้ามันผิดศีลผิดธรรมจริงๆเอออย่งคอยว่ากันเป็นแต่เพียงแต่ว่าไม่พอใจในใจของเราทนเอง ใจของเราไม่พอใจกับเขาเห็นแล้วมันคว้างตาเลยเแล้วก็ไปดูถูกไปเหยียดหยามไปว่าให้เขาอันนั้นไม่น่าจะถูกถ้าหากว่าเราเห็นเขาแล้วก็เออนาน า, นาจิตตังนานาทัศนะน า, ะ น, า, น, านาความคิดเนาะเกิดมาในโลกนี้จะให้เหมือนกันทุกอย่างเป็นไปไม่ได้นี่แหละมองคนในแง่เหตุแง่ผลมองคนในแง่ดี อยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุกสามีภรรยาลูกหลานวงศสาคณาญาต์ก็เหมือนกันนะมองกันในแง่เหตุแง่ผลก็จะมีแต่ความร่มเย็นผาสุขแต่ถ้าว่ามองกันในแง่ร้ายแล้วก็นั่นแหละหาความผาสุขไม่ได้ในชุมชนสังคมของพวกเราแต่เมื่อวานก็หลวงพ่อก็ได้ไปเทศนาหรือไปเทศในงานศพของอโยมทองฤทธ โยมทองฤทธิ์เนะี่ยคือเคยมาบวชที่วัดของเรานะหลวงตาทองฤทธิ์มาบวชอยู่ที่นี่หปีนะทีแรกท่านก็บวชงานอะไรบูชาพระคุณในหลวงสามเดือนพอศึกออกไปแล้วก็ไปทำงานราชการอยู่เนนะ่เป็นสาสาธารณาสุขอำเภอหลายอำเภอนะในจังหวัดอุดร คนที่สู่ก็มาอยู่สาธารณาสุขอำเภอเมืองอุดรพอกเกษียณอายุ60ปีแล้วก็ท่านก็เลยมาบวชเลยมาขอบวชที่วัดของเรามาอยู่ท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะได้คนแก่ได้ขนาดนั้นก็นับว่าดีแล้วละ่ะแต่พอต่อมากระดูกทับเส้นประสากะทก็ทําให้ขาท่านไม่มีแรงจากได้ไปผ่าตัดที่อุดรผ่าตัดเสร็จแล้วก็ป่วยป่วยก็ มาอยู่ในวัดเราก็ลําบากแต่มันกุฏิมันห่างกันก็เลยขอไปอยู่วัดเออวัดวัดอะไรับแถบเมืองอุดรนั่นแหละจากนั้นท่านก็เลยไม่ไหวเวลาสิกขาเวลาสิกขาก็ไปอยู่บ้านกับลูกๆเพราะลูกโดยมากกเป็นแต่ลูกสาวมาดูแลจากนั้นก็นมาเช่นเลือดขาดเลือดจะบ้องขาดเลือดก็เลยเป็นลักษณะอัลไซเมอร์ จากนั้นเมือ่อวันวาเมื่อก่องก็ได้มรณะลงไปแล้วเ ข, เ, ขาาลเขาก็มนิมนต์หลวงพ่อเขาก็กล้ า, ก, า, ก, า ก, กลัวเนะพราะหลวงพ่อไม่ค่อยรับนิมนต์ไปที่ไหนไง่ายๆแต่เราคิดว่าเออหลวงตาทองฤกับเหมือนกับคนของเรามาอยู่ที่วัดของเรานบนานเพิ่งจากไปเราก็ควรจะไปแสดงไปบอกกล่าวให้กับลูกหลานได้รับรู้รับสาบเมื่อวานหลวงพ่อได้ไปแสดง ทำในงานศพของเขาแต่หลวงพ่อก็พูดเรื่องเกี่ยวกับนี่แหละการเกิดการตายที่หลวงพ่อพูดว่าชาลาทำโมหิฉลังอนัติโตพยาธิทำโมหิพยาธิมมาอนัติโตมรณะทำโมหิมรณังอนัตติโตแต่คนเราเกิดมาแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแต่คนอื่นตายเป็นธรรมดายู่แต่ตัวเองตายไม่ใช่ธรรมดานะทุกข์ขนาดหนักเลยพี่น้อง พ่อแม่พี่น้องของเราที่อยู่ใกล้ชิดที่เรารักนะเขารบนับถือใกล้ๆถ้าท่านจากไปโอ้โหเรา เ, เสียใจแต่คนอื่นตายอยู่นู่นอยู่ทวีปอื่นนะล้มหายตายไปเราก็เฉยๆตายเป็นธรรมดานะแต่พออยู่ใกล้ๆเราตายเนีไม่ใช่ธรรมดาเพราะะฉนั้นพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะหนีออกจากเวียงวังไปบวชนะท่านเห็นคนแก่นะเห็นคนแก่ คนเคนแก่งอมแล้วก็เห็นคนเจ็บแล้วก็เห็นคนตายแล้วก็เห็นสมณะเนี่เมื่อท่านเห็นสอย่างนี้ท่านจึงตัดสินใจบวชเห็นสมณะทาไมจึงบวชเห็นสมณะเออคนแก่คนดีคนเจ็บคนดีคนตายคนดีถ้าเรามานั่งคุ้นคิดพิจารณาในเวียงในวังนคงจะคุ้นคิดไม่ออกเพราะว่ามันภาระของเรามากเหลือเกิน ไม่รู้ว่าราช ก, การงานเมืองไม่ระหว่าการบริหารจัดการมากมายถ้าเราไปอย่างสำมานะอยู่ในป่านี่นั่งขัดสมาธิแล้วก็สํารวมหลับตายเคิดที่จะหาทางออกทางแก่จะไม่จะทำยังไงจริงไม่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายคงมีช่องทางพระพุทธเจ้าท่านคิดถึงขนาดนั้นนะจากนั้นฉันจึงหนีออกไปบวชถึง6ปี ไปอยู่ในป่าบําเพ็ญอยู่หปีลองถูกลองผิดลองผิดลองถู ก, ถก เ, เหมือนกับรองวิทยาศาสตร์อย่างนั้นแหละเรียกว่าลองเอกษตรศาสตร์อย่างนี้แหละปลูกนัน่นไม้ปลูกนี่ปลูกนัน้ป น, นปลูกอย่างนี้นอย่างนั้นจนได้สําเร็จสําเร็จสมความมุ่งมา่นปรารถนา ค, คือวันเดือน6เพนนี่แหละพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี่แหละทันรู้ได้หมดทุกคนเลยทีนี้เกิดมาอย่างไงตายอย่างไง การปฏิสนธิก่อนการที่จะเข้ามาเกิดทีแรกจะทํำยังไงเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วออกมาแล้วทำยังไงเป็นผู้ใหญ่ทํำยังไงทําใจยังไงสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจา้าถั่วกรรมคือการกระทําทุกคนมีกรรมถ้าใครทํากรรมดีกรรมดีจะตามสนองถ้าใครทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็จะตามสนองคนนั้นทุกดวงวิญญาณต้องมีกรรมเป็นเครื่องติดตามเป็นกรรมเป็นผู้ให้ผล กรรมมุนีนาวัตตีโลโกโ้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทําไว้แล้วที่หลวงพ่อเคยยกว่ากรรมชั่วจะทำซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละสรุปแล้วก็คือทุกวิญญาณต้องมีกรรมเพราะฉะนั้นพวกเรามาวันนี้วันพระอย่างนี้นะมาทํากรรมดีนะมาสร้างบุญสร้างกุศลอันดับแรกก็ได้ทําบุญ จากนั้นก็เลยมารักษาสินต่อไปรักษาแล้วสินี่นะมารับสินจะต้องรักษานะไม่แชรรับมารับสินแล้วก็ไม่รักษาไม่ได้นะไม่เป็นสินนะพอรับศินจากหลวงพ่อเสร็จแล้วก็รักษาตลอดทั้งวันวันนี้รักษาสินห้าก็ได้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ตกยุงไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยของคนอื่นเคารพในสิทธิสามีภรรยาคนอื่นไม่โกหกไม่ดื่มของมืนเมาก็เป็นศินแล้วนี่แหละ เมื่อเราเป็นศีลแล้วเราลำลึกขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็สบายใจนะพราะเราเป็นคนดีรักษากายวายาให้เรียบร้อยชื่อวาสินะจากนั้นก็ภาวนาตกกลางคืนก็ภาวนาบ้างนั่งภาวนาห้านาทีสิบนาทีพุโทโธพุโทโธพุโทพโธจะไปทำยากอะไรนั่งภาวนานะหาหมุมสงบนี่แหละเป็นล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราทั้งนั้นแหละแต่ถ้าพวกเราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจ วันไหนกับวันเก่าผ่านไปผ่านไปไม่เชื่ออีกต่างหากฮะไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดอีกต่างหากอคิดว่าตายแล้วศูนย์แต่ทํามันไม่ศูนย์แล้เป็นยังไงเออพวกเราคิดอันไหนมันได้อันนั้นใช่ไหมถ้ามันคิดอันไหนมันถูกทุกอย่างอพวกเราคงจะเป็นเศรษฐีแหละหลวงพ่อว่านะเอคิดอะไรซื้อเหล็กถูกเอาถูกเอาถูกทุกคนเหมือนกันเมื่อกนัวไงถ้าว่ามันคิดผิดมันก็มีต่างมัเยอะแยะไป นี่แการคิดผิดทําให้พวกเราตกทุกข์ได้ยากอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะมันคิดผิดอันนี้กูเหมือนกันเราคิดว่าตายแล้วศูนย์ทํามันไม่ศูนยญล่ะมันเกิดอีกล่ะอบเพราะพระพเจ้าวาตายแล้วเกิดนะไม่ใช่ตายแล้วศูญ น, นะนรกสวรรค์มีจริงนะอบถ้าว่าไทยใครทํากรรมชั่วกรรมชั่วให้ผลนะถ้าใครทํากรรมดีกรรมดีให้ผลนะใช่ไหมเออพอจะมองเห็นว่าทํากรรมชั่วน ให้ผลอมองเห็นยังไงเอา้าทํากรรมชั่วเนยปุบปับขึ้นมาไปตีหัวเขาเข้าตีหัวกันเองในศาะเนี่ยพอตีเสร็จแล้วเน่ยเขาก็จับเขาไปไปเข้าคุกนะ่ะไปขังอยู่ในห้องขังออืใช่ทํากรรมไม่ดีเอกรรมไม่ดีให้ผลเขามาจับเรามาติดคุกอย่างนี้เองนะหมดอิดสระเลยเนี่นี่แหละกรรมชั่วให้ผลเห็นได้ชัดนะ เ, เพราะนั้น ถ้าสิ่งไหนก็ตามสิ่งไหนที่มันชั่วผิดกฎหมายบ้านเมืองหรือบาปกรรมทั้งหลายเยมื่อทําไปแล้วกรรมชั่วมันจะให้ผลอะไนี้เอนในขณะที่ทําก็ทําด้วยโมโหโกธาแต่เมื่อทําเสร็จไปแล้ว่ะกรรมชั่วจะตามให้ผลอะไรตัวเผอเผลอบางทีไปฆ่าไปายิงเขาผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงผลที่สุดก็ตัวเองก็โทษประหารแต่ทุกวันนี้ก็อย่างว่าโทษประหารเขาไม่ประหารแต่ที่ยังไงก็ขังคุก หลายปีทีเดียวในขณะที่ขังคุกมันมีความสุขไหมมมันไม่ใช่มีความสุข น, นะกรรมชั่วอย่าทํซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังไอ้พวกเรานะักพุทธศาสนกชนลูกหลานทุกคนนะฟังเอาไว้ทาคําสอนของพระพุทธทเจ้าต่อนนี้ไปรับพอนอนุโมทนาให้พ